ผู้มือชีวิตหมวดที่12การทำใจรับความตายจากหนังสืออยู่ก็สบายตายก็เป็นสุขสมเด็จพระพุทธโฆษ า, าจารย์ปออประยุตโตจัดทำโดยชั ย, ยพลสุทธหลหลวงคุณแม่ลำใหญเจริญสุขสุขพมาศบุญประเสริฐและนาภพาพลพระวังสวัสดิ์เมื่อเผชิญหน้ากับความตายของตนเอง ระลึกถึงกรรมดีที่ได้ทำไว้และไม่เห็นกรรมชั่วในตัวเองก็จะเกิดปีติโสมนัสเผชิญความตายด้วยความสุขสงบและความมีสติแม้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายก็ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวาดหวั่นกลัวภยัยและไม่กลัวต่อความตายเรื่องอยู่ก็สบายตายก็เป็นสุข คนเราเนี่ยเมื่ อ, อยังเป็นอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตเมื่อชีวิตนั้นสิ้นไปก็เรียกว่าตายชีวิตจึงคู่กันกับความตายเรียกง่ายๆว่าเป็นกับตายแต่มองอีกแง่หนึ่งความตายที่เป็นความสิ้นสุดของชีวิตนั้นเป็นเพียงปลายด้านหนึ่งชีวิตก่อนจะมาถึงจุดจบสิ้นคือความตายนั้น ได้ดำเนินต่อเนื่องมาโดยเริ่มแต่จุดตั้งต้นจุดที่ชีวิตเริ่มต้นนั้นเรียกว่าเกิดการเริ่มต้นเป็นคู่กันกับการสิ้นสุดเมื่อมองในแง่นี้ความตายหาใช่เป็นคู่กับชีวิตใหม่แต่เป็นเพียงการสิ้นสุดที่เป็นคู่กันกับการเริ่มต้นของชีวิตเท่านั้นดังนั้นความตายจึงต้องคู่กับความเกิดเรียกง่ายๆว่า เกิดกับตายคนทั่วไปมักตกอยู่ในแง่มองแบบที่หนึ่งกล่าวคือเมื่อเห็นความตายคู่กับชีวิตเมื่อนึกถึงความตายก็โยงเข้ามาหาชีวิตและติดอยู่แค่นั้นคือนึกแค่เป็นกับตายเมื่อความคิดมาหยุดอยู่ที่ชีวิตนึกถึงชีวิตกับความตายหรือเป็นกับตายโดยยึดมั่นว่าตายตรงข้ามกับเป็น ความคิดนั้นก็จะหน่วงเหนี่ยวพัวพันและวนเวียนอยู่กับความรู้สึกในความเป็นตัวตนและนึกถึงความตายโดยสัมพันธ์กับตัวตนด้วยอาการที่ให้เกิดความรู้สึกเป็นเรื่องกระทบตัวตนหรือจะสูญเสียตัวตนนั้นไปคือสันสถฐานเสียวใจว่าเราจะตายเราจะไม่มีชีวิตเราไม่เป็นอยู่ต่อไปเพราะเหตุนี้ คนทั่วไปเหล่านั้นเมื่อนึกถึงความตายเห็นคนตายหรือรเผชิญกับความตายจึงเกิดความรู้สึกหวาดกลัวประหวันพรั่นปรึงหรือไม่ก็รู้สึกสลดหดหูตลอดจนเศร้าโศกแห้งเหี่ยวหัวใจถ้านึกถึงความตายของคนที่ตนเกลียดชังหรือเป็นศัตรูก็รู้สึกว่าตัวตนนั้นได้สิ่งที่ต้องการแล้วกลายเป็นเกิดความยินดีลิงโลดใจ คนทั่วไปคุ้นชินและตกรองอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้จนกระทั่งในวัฒนธรรมบางสายภาษาที่ใช้จะเอ่ยอ้างแต่คำว่าชีวิตกับความตายโดยไม่รู้ตระหนักเลยถึงคู่ที่แท้ของมันคือเกิดกับตายเกิดกับตายนั้นถูกกล่าวถึงอย่างแยกต่างหากกันเป็นคนละเรื่องไม่ต่อเนื่องโยงถึงกันเหมือนดังว่าไม่สัมพันธ์กัน การมองแบบนี้เปิดช่องให้แก่การดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดได้มากดังจะเห็นว่าเมื่อมีการเกิดก็สนุกสนานบันเทิงเฉลิมฉลองกันเต็มที่เมื่อมีการตายก็โศกเศร้าพิไรรำพันปานว่าจะตายตามไปในท่ามกลางระหว่างนั้นก็ดำเนินชีวิตอย่างลืมตัวมัวเมาหรือได้แต่โลดแล่นลุ่มหลงไปแก่งแย่งเบียดเบียนกันไม่มีสติกำกับ ไม่ใช้ปัญญานำทางให้พอดีต่อการที่จะเกิดประโยชน์สุขที่แท้แก่ชีวิตและสังคมในทางตรงข้ามท้ามองความตายคู่กับการเกิดความคิดจะไม่มาติดตันอยู่ที่ตัวตนเพราะมองจากปลายหรือสุดทางด้านหนึ่งของชีวิตข้ามเลยไปถึงปลายหรือสุดทางอีกด้านหนึ่งชีวิตจะกลายเป็นสภาวะธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ถูกเรามองดู เหมือนเป็นของนอกตัวทั่วไปและเห็นเป็นกระบวนการที่คื่เคลื่อนดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันจากจุดเริ่มต้นคือเกิดไปสู่จุดอวสานคือตายไม่ติดพันผูกยึดอยู่กับความรู้สึกในตัวตนการมองอย่างนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตนั่นเองเปิดโอกาสแก่สติปัญญาได้มากกว่าจึงนาไปสู่ความเข้าใจรู้เท่าทัน มองเห็นชีวิตตามที่มันเป็นของมันอาจทำให้ลดละตลอดจนลอยพ้นทั้งความหวาดกลัวและความหดหู่โศกเศร้าในคราวที่นึกถึงพบเห็นหรือแม้เผชิญหน้ากับความตายความตายเป็นจริงอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญเมื่อจะต้องเผชิญอยู่แล้วก็ควรรู้จักปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องให้เกิดผลดีมากที่สุดและเกิดโทษน้อยที่สุด ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้จักระลึกถึงความตายดังปรากฏว่าหลักธรรมที่มากับเรื่องนี้มีทั้งคำสอนสําหรับผู้มองแบบที่หนึ่งซึ่งเห็นความตายมาตันอยู่แค่ชีวิตของตนโดยสอนให้เบนจากความรู้สึกหดหู่และหวาดกลัวที่เป็นโทษไปสู่ความรู้สึกที่ดีงามเป็นประโยชน์และมีทั้งคาสอนที่ชักนาไปสู่การมองแบบที่สองที่จะให้เกิดปัญญา ซึ่งทาจิตใจให้เป็นอิสระบรรลุสันติสุขได้โดยสมบูรณ์การรู้จักระลึกถึงและพิจารณาความตายให้เกิดผลดีนี้เรียกว่ามรณสติซึ่งมีแนววิธีและผลปฏิบัติโดยสรุปดังนี้ในระดับที่เน้นการมองแบบที่หนึ่ง 1. ให้เห็นความจริงว่าชีวิตของมนุษย์นั้น นอกจากจะสั้นไม่ยืดยาวแล้วยังไม่มีกําหนดแน่นอนอีกด้วยอย่างที่ว่าจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ทำให้เห็นคุณค่าของเวลาแล้วเกิดความไม่ประมาทกระตือรือร้อนเร่งทากิจหน้าที่บําเพ็ญคุณความดีและฝึกฝน พ, นพัฒนาตนในทุกทางให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างมีค่าและเข้าถึงจุดหมายที่ประเสริฐ สอให้รู้เท่าทันความจริงว่าทรัพย์สินเงินทองโภคสมบัติตลอดจนบุคคลที่รักใคร่ยึดถือครอบครองอยู่นั้นอาจใช่เป็นของตนแท้จริงไหมไม่สามารถป้องกันความตายได้และตายแล้วก็ตามไปไม่ได้มีไว้สำหรับใช้บริโภคหรือสัมพันธ์กันในโลกนี้เท่านั้นในด้านทรัพย์สินเงินทองสมบัติภัสถานจะได้ไม่โลภและสั่งสมจนเกินเหต หรือหวงแหนตระหนี่ไว้ให้เป็นเสมือนของศู์เปล่าแต่จะรู้จักจัดสรรใช้สอยให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตของตนแก่ญาติมิตรและเพื่อนมนุษย์สมคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของมันในด้านบุคคลผู้เป็นที่รักและคนในความดูแลรับผิดชอบจะได้ไม่ยึดติดถือมั่นและห่วงห่วงเกินไปจนทาให้เกิดทุกข์เกินเหตุ และทำให้จิตใจไม่สงบกระสับกระส่ายทุรนทุรายหลงฟั่นเฟือนในยามพลัดพรากนอกจากนั้นยังรู้ระหนักว่าตนจะไม่อยู่กับเขาตลอดไปทำให้เอาใจใส่ให้การศึกษาอบรมตระเตรียมคนเหล่านั้นให้รู้จักพึ่งตนเองได้ในด้านเพื่อนบ้านและคนอื่นทั่วไปจะได้เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือสงเคราะห์กันถึงแม้มีเรื่องกระทบกระทั่งกัน หรือโกรธแค้นเคืองคุณก็อาจระงับดับได้เพราะมาได้คิดว่าจะโกรดเคืองกันไปทำไมอีกไม่นานก็จะต้องตายจากกันไปรักกันและทำดีต่อกันไว้ดีกว่า3ให้รู้ตระหนักในหลักความจริงว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีแต่กรรมเท่านั้นที่เป็นของของตน เป็นสมบัติติดตัวที่แท้จริงซึ่งจะตามตนไปและตนก็จะต้องไปตามกรรมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะได้เลิกละและหลีกเว้นกรรมชั่วทำแต่ ก, กรรมดีตลอดจนนำทรัพย์สมบัติมาใช้บำเพ็ญความดีทำการต่างๆที่เป็นประโยชน์การทำใจตระหนักในหลักกรรมนี้เมื่อถึงคราวพบเห็นหรือรเผชิญกับความตายเข้าจริง ก็จะอำนวยผลดีพิเศษให้อีกดังนี้เมื่อเผชิญหน้ากับความตายของตนเองระลึกถึงกรรมดีที่ได้ทำไว้และไม่เห็นกรรมชั่วในตัวเองก็จะเกิดปีติสงนัดเผชิญความตายด้วยความสุขสงบและความมีสติแม้มือยังไม่ถึงเวลาตายก็ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวาดหวั่นกลัวภัยและไม่กลัวต่อความตาย เมื่อเกิดเหตุพลัดพรากมีผู้ตายจากไปก็จะทำใจได้ทันเวลาหรือเร็วไวว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเข้าไปแล้วตามทางของเขาตามที่กรรมจะนำพาไปการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจของเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่นั้นก็จะไม่เกิดความโศกเศร้าหรือแม้เกิดก็ระงับดับได้ทําให้จางคลายหายไปโดยไวพร้อมกันนั้น เมื่อตัดใจจากความอาลัยในผู้ตายแล้วก็จะได้หันเหความสนใจกลับมาเอาใจใส่ผู้ที่ยังอยู่ซึ่งถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังนี้ว่าคนเหล่านี้ที่เราช่วยเหลือได้มีทุกโศกอันใดที่ควรจะไปช่วยขจัดปัดเป่าและหันไปช่วยเหลืออย่างน้อยก็มองกัรด้วยสายตาและน้ำใจแห่งความมีเมตตาปราณีเห็นซึ้งว่าคนที่ตายแล้วก็จากไปตามทางของเขา เราช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่คนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยอีกไม่ช้าก็จะต้องจากกันไปอีกในเวลาที่เหลืออยู่นี้ควรมาเมตตาอารีช่วยเหลือกันอย่าให้ต้องเสียใจภายหลังอีกว่าโธ่เราตั้งใจไว้แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรให้เขาก็จากไปเสียอีกแล้วประการที่สี่ให้ระลึกถึงหลักแห่งธรรมดาที่ว่า ทุกคนหวาดวันต่อการทำร้ายทุกคนกลัวต่อความตายชีวิตเป็นที่รักของทุกคนเราฉันใดเขาก็ฉันนั้นนึกถึงอกเขาอกเราแล้วไม่ควรฆ่าฟันบันรอนกันการระลึกได้อย่างนี้จะทำให้เห็นอกเห็นใจกันไม่เบียดเบียนกันหันมาช่วยเหลือสงเคราะห์กันอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันด้วยดีถึงขั้นที่ว่า ทำกับเขาเหมือนที่คิดจะทำให้แกตัวเราเองหรือทำต่อคนอื่นเหมือนที่อยากให้เขาทำต่อเราซึ่งจะเป็นการช่วยกันสร้างสั์โลกหรือสังคมนี้ให้เป็นโลกหรือสังคมแห่งสันติสุขในระดับของการมองแบบที่สองประการที่หให้รู้เท่าทันตามคติแห่งธรรมดาว่า ชีวิตนี้ตกอยู่ในอำนาจของกฎธรรมชาติมีความเป็นไปตามธรรมดาว่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยการเกิดเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วก็จะต้องมีการสิ้นสุดการตายคือการสิ้นสุดของชีวิตที่เกิดแล้วนั้นดังนั้นเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องตายหรือมีเกิดก็ต้องมีตายชีวิตมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาของชีวิตนั้น นี่คือลักษณะแห่งความเป็นอนิจจังเขาไปแล้วตามคติแห่งธรรมดานี้ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ตัวเราเองก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของอนิจจังอนิจจังทำหน้าที่ของมันแล้วจึงไม่สมควรและไม่มีเหตุผลใดใดที่จะต้องเศร้าโศกเสียใจคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่กลัวและไม่เกิดความทุกข์ หรือถ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็จะบันเทาหรือขจัดปัดเป่าไปได้ในเวลาอันรวดเร็วประการที่6ให้อย่างรู้สภาวะของสังขารข้อนี้คือก้าวต่อเลยมรณสติไปสู่วิปัสสนารู้เท่าทันความจริงทะลุตลอดไปว่าชีวิตนี้เป็นสังขารอาศัยองค์ประกอบทั้งหลาย มาประชุมกันขึ้นเกิดจากปัจจัยต่างๆปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเกิดและการตายเป็นธรรมดาของชีวิตนั้นไม่ใช่แต่ชีวิตที่มองเห็นเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นแม้แต่องค์ประกอบต่างๆทุกส่วนของชีวิตและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมและนามธรรมต่างก็ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาแห่งความไม่เที่ยงนี้ทั้งหมด ล้วนเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับสลายจะปรากฏรูปลักษ์อย่างไรก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามความอยากความยึดของผู้ใดใครต้องการจะทำอะไรให้เป็นอย่างไรก็ต้องทำที่เหตุปัจจัยเมื่อรู้เข้าใจเท่าทันความจริงอย่างนี้แล้วก็จะหลุดลอยพ้นออกมาจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจิตใจจะเป็นอิสระ หลอดโปร่งโล่งเบาผ่องใสสว่างด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยปัญญาและทำการต่างๆด้วยปัญญาเป็นสุขเบิกบานใจได้ทุกเวลาอยู่พ้นเหนือความทุกข์บรรลุอิสรภาพและสันติสุขที่แท้จริงผู้ที่สำเร็จผลของการมองชีวิตแบบที่หนึ่งจะมีท่าทีต่อความตายตามแนวแห่งพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่า ข้าพเจ้าไม่มีความชั่วที่ทำไว้หน้าที่ไหนไหนเลยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงและอีกบทหนึ่งว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวปรโลกส่วนท่านที่ประจักษ์แจ้งสมบูรณ์ในการมองชีวิตตามแบบที่สองจะมีท่าทีต่อชีวิตและความตายตามในยะแห่งธรรมภาสิทธิที่ว่า จะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อนถึงจะตายก็ไม่เศร้าซ้อยถ้าเป็นปราดมองเห็นที่หมายแล้วถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศกก็หาโศกเศร้าไม่และอีกบทหนึ่งความตายเราก็มิได้ชื่นชอบชีวิตเราก็มิได้ติดใจเราะจะทอดทิ้งกายนี้อย่างมีสัมปชัญญะมีสติมั่น ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบชีวิตเราก็มิได้ติดใจเรารอท่าเวลาเหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้าง